จเจริญพรทุกๆ ท, ท่านการฟังธรรมะ ก, ก็คือเป็นเวลานะที่เราต้องสำรวมไม่ถึงขนาดต้องนั่งกนอ ม, มือหรอกแต่จิตใจให้มันอยู่กันเนื้อกับตัวไวเวลาฟังธรรมประมาณชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นเองเวลานี้เราถือเป็นเวลาเหมือนอย่างเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระธรรมะนะั่นแหละเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านจะปรินิพพานท่านก็บอกกับพระอานนท์ว่าพระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนตัวท่านงั้นเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยก็เหมือนเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้างั้นเราก็ต้องสํารวมต้องเคารพในพระธรรมนะทํำใจสบายๆรู้เนื้รู้ตัวแล้วก็ไม่ถ่ายรูปนะ ยกโทรศัพท์มือถือถ่ายไปถ่ายมามันทำให้เราฟุ้งซ่านคนข้างๆเราก็เดือดร้อนด้วยลำคาญเสียสมาธิยังมีเดินเข้ามาเรื่อยๆรอสักประเดี๋ยก็ได้หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเวลาเรามีเวลาบ้างๆ5นาที10นาทีอย่าไปทิ้งตระเป๋าเอาเวลานั้นมาปฏิบัติเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บไปเรื่อยๆ คราวหนึ่งนะพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อเกษมเขมะโกฟังท่านบอกว่าท่า น, นงานเยอะนีเวลาท่านมีเวลาหานาที10นาทีอะไรอย่างน้นั่งรอดไปท่านเตรียมงานเสร็จแล้วท่านก็มีเวลาว่าง5นาทีสิบนาทนะีท่านสอยชีวิตท่านเป็นช่วงย่อยๆเรือ5นาทีเนี่ยไม่ใช่ทิ้งเปล่าๆท่านปฏิบัติถ้าพวกเรา กำลังทำงานนะว่ามีช่วงเบรก5นาทีแล้วก็ทิ้งหรือเรากำลังนัดลูกค้าจะมาคุยกับเราลูกค้ายังไม่มาเราตอนนี้เราก็เผลอๆไปก่อนอย่างนี้เราก็ยังไม่เก่งพระเจ้าอยู่หัวเราภาวนาเก่งล้าทันไม่ทิ้งเวลาเอาเวลามา5นาที10นาทีก็ปฏิบัติการปฏิบัติทำเบื้องต้นก็ไม่ยากอะไรหรอกนะหายใจไปรู้สึกตัวไปอย่าห้ใจให้เคลิมขาดสติไป หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยังมากันเรื่อยๆนะเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงจังตอนนี้หายใจไปก่อนอย่าอยู่หายใจ <c oughs> เราหายใจไป่ไถ้ได้เกิดทำไมบางคนเขาหายใจแล้วเขาเข้าฌานได้บางคนเขาหายใจแล้วเขาบรรลุมรรคผลได้เราก็หายใจเหมือนเขาทำไมทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะว่า จิตใจเราไม่มีคุณภาพเราไม่หายใจอย่างมีสติเราหายใจทิ้งเปล่าๆแต่เป็นที้เราหายใจบบมีสตินะหายใจออกรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจเข้าทำได้ไหมไม่ยากอะไรไม่ได้ไปบังคับจิตให้สงบนะบังคับจิตให้สงบนั่นกิ๊กก๊อกหรอกกรรมฐานอย่างนั้นนี่เราทาใจสบายๆหายใจ ห้ใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวไปพาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นที่เราจะทำกรรมฐานอื่นๆต่อไปถ้าพูดถึงอนาปานสตินะในนี้มีคนฝึกอยู่หลายคนอนาปานสติถ้าฝึกเป็นเราจะรู้ว่ามันเป็นกรรมฐานที่กว้างกวางมากเลยอนาปานสติเนี่ยทำเป็นสมถะก็ได้ใช้ทำพิปัสนาก็ได้ ใช้เดินปัญญาในขั้นต้นๆก็ได้นะคือใช้ปัญญานำสมาธิหรือใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ใช้สมาธิกับปัญญาควบกันก็ได้หรือพลิกลมหายใจนะพลิกไปทำกระสินก็ได้หรอลมเปลี่ยนเป็นแสงหายใจไปแล้วลมเปลี่ยนเป็นแสงอยู่กับแสงแล้วเข้าฌานหรือพลิกไปทำอภิญญาก็ได้ กรรมฐานนะมันเรื่องง่ายๆพลิกไปพลิกมาได้งั้นพยายามหายใจนะงลมหายใจนะเป็นกรรมฐานใหญ่ในบรรดากรรมฐานทั้งหลายนะอนาปานาสตินะเป็นยอดของกรรมฐานอันนี้ในเชิงของการทาสมาธินะสมาธิไม่ว่าเราจะทำด้วยวิธีใดก่อนที่จิตจะรวมมันมักจะนลมหายใจก่อน เ่ยจะเล่นกระสินเล่นอะไรส่วนมากจะมาผ่านลมไปก่อนอันนี้คุยนอกเรื่องนะคุยเพื่อให้พวกเราสงบสงบก่อนตอนนี้เขาปิดประตูแล้วได้ที่แล้วเตรียมฟังธรรมรู้สึกไหมตอนพูดเรื่องกสินเรื่องอะไรนะใจของเรานิ่งๆรู้สึกไหมมาบองอ่ะตอนนี้เป็นเวลาฟังธรรมใจเราคลายออกนะค่อยๆรู้สึกเอา งั้นจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนะการภาวนาเนะี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกขอเพียงเรารู้หลักของการปฏิบัติให้ดีเท่านั้นเองนี่บางทีเราไม่รู้หลักนะเราก็มั่วซั่วคิดว่าต้องทําอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้คิดคิดเอาเองนะไม่มีใครคิดหลักการปฏิบัติธรรมได้เองหรอกเพราะคนที่รู้ได้ด้วยตัวเองนะั้นมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัิเจ้าพรพุทธเจ้าหน้าตาอย่างพวกเราคงไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะนะ ก็ไม่ใช่ปัจเจกพุทธะหรือยังมากก็สร้างบารมีอยู่ยังไม่เป็นเมื่อเรารู้ไม่ได้ด้วยตัวเองเมื่อเรารู้ธรรมะด้วยตัวเองไม่ได้รู้วิธีปฏิบัติไม่ได้เองเราต้องเรียนก่อนการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการยกระดับจิตใจจิตใจของคนทั่วไปเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะเลวลงเรื่อยๆโดยธรรมชาตินั้นมันจะไหลลงที่ต่าเพราะว่าความชั่วทำง่าย คนทั่วๆไปนะถูกกิเลสลากเข้าไปอย่างเราสังเกตง่ายๆอย่างผู้หญิงนะผู้หญิงยาวสาวๆนะไม่ค่อยขี้บน่นสังเกตไหมพอแก่ขึ้นบ่นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะความชํานาญเพราะอะไรเพราะว่าฝึกซ้อมทุกวันนะต่อไปไม่รู้จะบ่นใครก็บ่นดินฟ้าอากาศบ่นตัวเองบ่นนะที่แรกบ่นคนอื่นยังบ่นสา ม, มีอยังโน่นยังนสุดท้ายบ่นทุกเรื่องเลยนั่นเคยชิน คนไหนขี้โมโหเราดูเอสิสะสมความขี้โมโหตั้งแต่ยันเด็กๆหรือตอนหนุ่มหนัหนงสาวคอยขี้โมโหเรื่อยๆยิ่งแก่ยิ่งอารมณ์ร้ายเพราใจนี่นมันจะสะสมของไม่ดีเอาไว้เยอะแยะเลยหลวงพ่อเคยสังเกตเห็นตั้งแต่สมัยยังเป็นโยมนะเอาไปกราบครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นครูบาอาจารย์อายุมากๆ80ปี90ปี100ปี ดูท่านแต่ละองค์แต่ละท่านดูท่านสดใสเราหันมาดูญาติผู้ใหญ่ของเราหรือคนรู้จักที่แก่ๆนะไม่ค่อยมีความสุขว่าเบบ้างเมาบ้างจิตใจไม่สบายไม่ดีความสุขแล้ก็นอกดูเอ๊ะทำไมพวกพระนี่ดูดีจังเลยทำไงเราจะดีอย่างท่านบ้างก็ค่อยๆดูคราวนี้สังเกตดูว่าท่านสอนอะไรเราก็ทำตามที่ท่านสอน ที่จริงแล้วงานปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ดูครูบาอาจารย์ท่านทำรรมาท่านยกระดับใจของท่านขึ้นไปใจของท่านแต่เดิมมันก็เหมือนพวกเรานี่แหละล้มลุ ก, ล, กลุกคลานดีบ้างชั่วบ้างใครรู้สึกว่าตัวเองดีมากกว่าชั่วยกมือสิมีไหมช่วยยกมือให้ดูไม่ต้องเกรงใจนะเรารู้สึกยังไงเอาอย่างนั้นไม่ต้องรักษามารยาใครรู้สึกว่าเราดีมากกว่าชั่วยกซยกซ ใจรู้สึกว่าตัวเองชั่วมากกว่าดีจริงหรือเปล่าไม่ใช่ยกเอาหน้านะแบบถ้าฉันฉันเห็นบางคนนะแกล้งด่าตัวเองนะหนูเลวอย่างนน้นหนูเลวอย่างนี้เราสังเกตดูไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะแกล้งพูดเป็นอย่างนั้นเองเนะี่ยใจของเรานะมันมีทั้งส่วนดีส่วนชั่วเป็นส่วนผสมเป็นทุกคนแหละมันไม่มีใครดีร้อยเซหรอกนี้ทําไงเราจะพัฒนาส่วนที่ดีให้มันมากขึ้นลดระดับ ส่วนที่เร็วให้มันลดลงลดลงถ้าเราไม่เคยคิดถึงการพัฒนาจิตใจเลยนะยิ่งนานวันนะมันก็จะยิ่งชั่วมากขึ้นมากขึ้นนะดีลดลงลดลงเคยอารมณ์สบายสบา ย, บายาก็จะชี้โมโหฉุนเฉียวอะไรอย่างงี้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นอย่างนีเบางทีก็ เ, เห็นเก็บตัวได้ยินเรื่องมนุษย์ป้าไหมเออมนุษย์ป้าความจริงมนุษย์ลุงก็มีไม่ใช่มนุษย์ป้าอย่างเดียว ทำไมต้องโทษป้าโทษลุงอยู่มานานอยู่มานานแล้วไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้สะสมคุณงามความดีมันก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นอ่ะงั้นจิตใจเนี่ยเป็นของที่ต้องดูแลรักษาพวกเราส่วนใหญ่ดูแลรักษาแต่ร่างกายตื่นเช้ามาลนะ้างหน้าล้างตาอาบน้ําแต่งตัวทาน้ําหอมทาแป้งอะไรต่ออะไรดูแลตั้งแต่หัวถึงเท้าบางคนใช้เวลาเยอะนะในการดูแลร่างกายในแต่ละวันนี่ เป็นชั่วโมงชั่วโมงบางคนหลายชั่วโมงพวกเราแต่งตัวนานไหมไม่นานหรอกเพราะว่าเราต้องรีบใช่ไหมเราต้องรีบไปทํางานต้องอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาว่างๆอาจจะนั่งแต่งแบบนกหงส์ยกแต่งทั้งวันนะเนี่ยรา เ, าเวลานะัไปดูแลร่างกายของเราเนี่ยเยอะมากเลยหาอยู่หากินหาเสื้อผ้าหาที่อยู่อาศัยนะไม่สบายพาไปหาหมอเราดูแลร่างกายนะอย่างดี พิเศษเลยทุกคนทุกคนนะหนามาเกี่ยวนิดนึงยุงมากัดสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบนะไม่สบายใจเรารักเราเห่วงแหน่ร่างกายเราดูแลมากแต่เราไม่ได้ดูแลจิตใจน่าเสียดายตรงนี้แหละถ้าเราได้ดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลจิตใจด้วยที่จริงแล้วเราจะสุขหรือเราจะทุกข์เราจะดีหรือเราจะชั่วอยู่ที่ใจของเรานี่เองนี่เราหมดแต่ดูแลร่างกายไม่ได้ดูแลจิตใจแต่อไปนี้มาดูแลจิตใจบ้าง การดูแลจิตใจในเบื้องต้นนะตั้งใจไว้ก่อนเราขอรักษาสีนห้าไปก่อนเอาห้าข้อพอไม่ต้องรักษาสี่8ปดหรอกเป็นคลาวาสได้สีนห้าก็บุญนักหนาแล้วจำสีนห้าได้ไหมใครจำไม่ได้ยกมือสิยกมือเดี๋ยวหลวงพ่อจะสุ่มถามน ะ, ะได้ทุกคนนะมีใครไม่ได้บ้างมีไหมไม่มีเลยนะดี ตั้งใจไว้ก่อนเบื้องต้นว่าเราจะไม่ทำผิดศีลห้าต่อไปเราก็มาฝึกจิตใจของเราให้มันคุ้นเคยที่จะไม่ทำผิดศีลคนทำผิดศีลได้เนี่ยเพราะกิเลสมันครอบนำจิตอย่างความโกรธเกิดขึ้นนะเราก็ไปทำผิดศีลได้ไปทำร้ายคนอื่นได้ไปแกล้งรักทรัพย์เขาทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้ไปทำร้ายคนที่เขารักก็ได้ หรือบางทีทำลายชื่อเสียงเขาใส่ร้ายเขาหรือไปด่าว่าเขาเนี่ยเวลากิเลสมันครอบงาใจนะโทสะครอบงาใจนะทำผิดศีลได้ห้าข้อเลยอย่างเวลาโทสะครอบงาใจใ จ, ใจิตใจเศร้าๆเสียใจเลยบางคนก็นไปกินเหล้านะกินเหล้าให้มันเพลินๆให้มันลืมๆไปงั้นโทสะตัวเดียวนะั้นทําให้เราผิดศีลห้าได้โลภตัวเดียวโลภหรือราคะหรือโลภะเนี่ยก็ทําให้ผิดศีลห้าได้ อย่างเราโลภนะเราก็ไปทําร้ายเขาได้ไปแย่งชิงสมบัติเขาได้ไปแย่งลูกแย่งเมียเขาได้ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาได้หรือเวลาใจเรามีโลภะมีความโลภเกิดขึ้นมีราคะมีหลายชื่อนะตัวเดียวกันแหละบางทีเรียกราคะบางีเรียกโลภะอย่างเงี้ยบางทีใจเรามีโลภะมีราคะก็ดีก็ได้มีความสุขกเลี้ยงฉลองจิตเล่ารวมความแล้วก็คือที่เราทําผิด ศ, ศีลห้าได้นะ เราว่าใจของเราเนี้ยถูกกิเลสครอบงานี่ทำไงเราจะยกระดับใจของเราแล้ก็ฝึกจิตใจของเราถ้ากิเลสมาเราคอยรู้ทันโลภขึ้นมาเรารู้ทันโกรธขึ้นมาเรารู้ทันฟุ้งซ่านขึ้นมาเรารู้ทันรู้ทันมันบ่อยๆทันทีที่เรารู้ทันอย่างใจมันโกรธเนี้ยเรารู้ว่าใจมันโกรธนะความโกรธมันจะหายอัตโนมัตินะเวลาโลบเรารู้ทันว่ามันโอบความโอบจะหายอัตโนมัตินี่พวกเราไม่เคยฝึก เวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยเราทํายังไงเราก็ไปคิดถึงคนที่เราโกรธไปดูคนที่เราโกรธอย่างเราขับรถอยูนะ่คนมาปาดหน้าเราเราโกรธเงี้ยไม่มีใครเอาย้อนมาดูว่าใจกําลังโกรธแต่จะไปดูไอ้คนนี้แหละมันปาดเราเดี๋ยวต้องหาทางเอาคืนเอาคืนไม่ทันก็กดแรด่ามันบางคนออกปากด่าเลยอยู่ในรถเลยไรคนนั้นไม่ได้ยินนะคนนั่งข้างๆนี่หูชิงเลยนะเครเป็นไหม ไปโกรธแฉด่าเขาแม่งไหมเพราะอะไรเพราะว่าโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเรามดดัวแต่ดูเขาเราไม่ได้เห็นว่าใจกําลังโกรธ ถ, ถ้าเราเห็นว่าใจกําลังโกรธนะัเราจะรู้เลยว่าใจไม่สบายใจไม่มีความสุขเรื่องอะไรนะ่ะเขาขับรถอยู่ตัวรถแต่ใจเราอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขคนละเรื่องกันมันไม่มาปาดหัวใจเราซะหน่อยใช่ไหมมันขับรถปาดหน้าหน้ารถเราไม่ได้ชนเราด้วยเพราะอะไรพระใจเรามัวแต่ไปสนใจคนอื่นนะ สนใจคนอื่นไม่สนใจจิตใจของตัวเองถ้าเราคอยย้อนกลับมาสนใจจิตใจตัวเองนะเขาขับรถปาดหน้าใจมันโกรธรู้ว่าใจมันโกรธหรือเราไปเดินศูนย์การค้าแถวนี้ก็มีห้างอะไรเยอะแยะนะสร้างกันใหญ่โตไปเดินแล้วน่ากลัวยากจนมากเลยอะไรก็น่าซื้อไปหมดนะหรเราไปเดินดูเห็นของอยากได้เห็นนนี่ก็อยากได้เห็นก็นอยากได้เวลาที่เราอยากได้สังเกตไหม เราจะสนใจสิ่งที่เราอยากได้เราไม่ได้สนใจว่าใจกำลังมีความอยากนะมันกลับข้างกันนีตเดียวเองเรามอแต่สนใจเห็นมือถือใหม่นะใจมันก็ไปอยู่ที่มือถืออยากได้อยากได้ไม่ได้ย้อนมาเห็นว่าใจกำลังมีความอยากถ้าย้อนมาเห็นใจที่มีความอยากแล้วนะความอยากมันจะดับอัตโนมัตินะเราไม่ต้องดับมันหรอกเพราะความอยากเป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกะิเลสนะความโลภความหลงอะไรนี่กิเลสทนั้นแหละ โดยธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันจะเกิดได้ต่อเราเผลอถ้าเมื่อไหร่เรามีสติอยู่กิเลสอยู่ไม่ได้กิเลสที่มีอยู่จะดับทันทีกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่เรามีสติอยู่นี้เราก็มีสติคอยรู้ทันใจของเราไว้กโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธโลภขึ้นมารู้ว่าโลภก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะไปเล่าให้หลวงพ่อฟังนานนักหนาแล้วบอกว่าไปเดินศูนย์กัดค้าเนี่ยเห็นกระเป๋าสวยอยากได้ อยากได้รู้ว่าอยากได้รู้ทันใจไม่ซื้ออยากได้รู้ว่าอยากได้ความอยากดับ้็เผลออีกทีหนึ่งนะกระเป๋ากลับมาอยู่บ้านนะ้วเขเผลอปุ๊บโลกครอบงํานะวบัตรเครดิตลูดเอาเลยนะได้ง่ายรู้สึกได้ฟรีไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะลูดอย่างเดียวนะไม่ได้จ่ายตังค์นี่พวกเราต้องมาฝึกนะฝึกใจเราไม่งั้เราจะถูกกิเลสลากเข้าไปจนเราผิดศีลผิดธรรม ต่อไปนี้เวลาความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ว่าโกรธอย่ามวัวแต่ดูคนที่โกรธอย่ามวัวแต่ดูคนที่ทําให้เราโกรธอย่ามวัวแต่ดูสิ่งที่ทําให้เราไม่พอใจหรือเวลาโลภขึ้นมาชอบขึ้นมานะอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยให้รู้ว่าอยากซะ ก, ก่อนรู้ว่าอยากนะความอยากมันจะดับเมื่อความอยากดับแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีเหตุผลอะไรสมควรซื้อเราก็ซื้ออะไรไม่สมควรเราก็ไม่ซื้อมันจะมีเหตุผลขึ้นมา งั้เลยถูกความโลภครอบงำนี่ความโกรธแรงๆครอบงำนั้นก็ไปทําผิดศีลได้ความโลภแรงๆครอบงำก็ทําผิดศีลได้ถ้าเราขจัดต้นต่อเรารู้เท่าทันความโกรธความโลภในใจเรารับรองว่าศีลห้าเนี่ยถือ ง, ง่ายมากเลยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยมีสตริรักษาจิตนั่นแหะจิตจะมีศีลอัตโนมัติขึ้นมางั้นเราต้องพยายามฝึกนะฝึกจิตฝึกใจของเราเราโม่แต่ดูแลร่างกายเราไม่ได้ดูแลจิตใจของเรา เราปล่อยให้ศัตรูของจิตใจคือกิเลสเนียเพ่นพ่านอยู่ตลอดวันตลอดคืนแต่เป็นนี่นะค่อยสังเกตกิเลสมาก็รู้กิเลสมาก็รู้อย่าปล่อยให้มันเพ่นพ่านเข้ามาครอบงาใจถ้าทําได้อย่างนี้ใจเราจะเริ่มมีคุณภาพนะจะดีขึ้นดีขึ้นไม่เคยมีศีเราก็จะมีสีต่อไปเรามาฝึกต่อไปเรื่อยๆใจเราหนีไปใจเราหลงไปคิดใจเราฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเราค่อยรู้ทัน ปกติใจของเราจะฟุ้งซ่านทั้งวันนะเดี๋ยวก็คิดเรื่องนอนเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้มีคนไหนไม่คิดไหมมีปะคิดทั้งวันเนาะคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้ตื่นนอนมายังไม่ทันลืมตาก็คิดแล้วเป็นไหมบางคนเองคิดเลยไปเลยไม่ยอมลืมตานะคิดจนหลับไปต่อฝันต่ออีกไปลาหลับหลับแล้วฝันนั้นก็คือคิดนะความคิดตอนที่นอนหลับนะหรือความฝัน ความฝันตอนที่ตื่นเน่ยคือความคิดเหมือนกันนะจิตทํางานลักษณะเดียวกันเนสปกติจิตใจเราจะฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งวันทั้งคืนกลางคืนก็นอนฝันใครนอนไม่ฝันบ้างมีไหมย้บมือให้ดูหน่อยซิมีไหมเก่งขนาดเนาะปกติคนเรานอนนะจิตมันจะพักไม่ฝันเนี่ยช่วงหนึ่งเท่านั้นอนะ นําก็จะเริ่มจิตเพราจิตเนี่ยมันต้องการพักผ่อนน้อยกว่าร่างกายร่างกายต้องการนอนหลายชั่วโมงนะจิตลงไปพักสักพักหนึ่งก็ขึ้นมาทำงานก็ฝันฝันได้พักหนึ่งก็ลงไปหลับต่อลงไปเงียบๆแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่สลับกันนะในกลางคืนนะขึ้นมาขึ้นมาเราก็ลงไปล้วก็ขึ้นมาอีกสลับไปกนะันมันฟุ้งซ่านกลางวันก็ฟุ้งซ่านกลางคืนก็ฟุ้งซ่าน เวลาที่เราฟุ้งซ่านมากๆเหนื่อยรู้สึกไหมเวลาวันไหนฟุ้งซ่านมากๆจะเหนื่อยไม่มีความสุขรู้สึกไหมพอจะนึกออกไหมอันเนี้ยแต่ใจเนี้ยไม่เคยได้สงบเลยใจฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืนนะมันจะไม่มีความสุขในตัวของมันเองเมื่อมันไม่มีความสุขในตัวของมันเองมันก็ต้องเที่ยวหาความสุขที่อื่นเราต้องไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปจีบสาวนะไปซื้อของ ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะียหวังว่าจะมีความสุขเท่งนั้นแหละยังไปจีบสาวสักคนหวังว่าจะมีความทุกข์ไหมไม่ไม่หวังใช่ไหมทําทุกอย่างเราหวังว่ามีความสุขแต่เสร็แล้วใจมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันก็หิวอีกมันก็อยากอย่างอื่นต่อไปอีกได้แฟนมาคนหนึ่งมนะันก็อยากได้ภรรยาได้ภรรยาแล้วก็อยากได้อีกคนหนึ่งคนนี้เบื่อแล้วซ้ำซากจําเจ มีความอยากเนี่ยจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนลูกคลื่นในทะเลลูกคลื่นในทะเลไม่มีวันหมดเลยลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างความอยากเนี่ยซั์แต่จิตใจเรานะเดี๋ยวก็าอยากแรงเดี๋ยวเขาอยากเบาๆอยากมากอยากน้อยมิแต่ความอยากซั์อยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนใจเราก็ฟุ้งซ่านมันอยากได้อารมณ์นั่นเองมันอยากดูมันอยากฟังมันอยากได้กลิ่นมันอยากได้รส มันอยากรู้สัมผัสทางกายมันอยากได้เรื่องราวทางใจที่เพลิดเพลินชอบอกชอบใจพอใจมีความอยากมีความวหิวยนะใจก็เที่ยวแสวงหาเที่ย ว, วไปดูรูปเที่ยวไปฟังเสียงเที่ยวไปดมกลิ่นเที่ยวไปลิ้มรสเที่ยวไปรู้สัมผัสทางกายหรือหาอะไรมาสัมผัสากายแล้วเที่ยวหารมเพลิดเพลินเพื่อให้ใจสบายเนี่ยใจที่วิ่งหาความสุขนะมันจะฟุ้งซ่านมันจะดิ้นไปเรื่อยมันคนอยาก คนหิวเนะีเหมือนคนหิวเวลาหิวมีความทุกข์ใช่ไหมร่างกายหิวร่างกายมีความทุกข์จิตใจหิวคือจิตใจอยากนะจิตใจก็มีความทุกข์จิตใจก็วิ่งพลนพล่านไปเรื่อยๆไม่มีความสงบนี่ทําไงมันจะสงบไม่ยากอะไรเลยถ้าเรารู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านนะใจก็สงบเองไม่ต้องทําอะไรหรอกง่ายนิดเดียวเลย บางคนพยายามไปนั่งสมาธินะหาวิธีนั่งสมาธิตั้งเยอะตั้งแยะทําไงจะสงบทําไงจะสงบโท่แค่ไม่ฟุ้งซ่านก็สงบแล้วนี่ธรรมชาติจิตมันฟุ้งซ่านเพราะใจมันโลภมันอยากโน้อนอยากนี่ตลอดมีสติเข้าไปสีมมันอยากอะไรเกิดขึ้นมารู้ทันเข้าไปเสียถ้ารู้ทัน น, นความอยากมันดับมันไม่มีแรงขับให้จิตดิ้นรนจิงก็สงบอัตโนมัติเราหายใจสบายๆไปไม่ต้องไปบังคับจิตให้สงบหรอก หายใจอยู่จิตใจเรามีความสุขอยู่กับการหายใจอย่างเงี้ยนะหายใจออกมีความสุขหายใจเข้ามีความสุขหายใจไปอย่างมีความสุขเพราะจิตใจมีความสุขจิตก็ไม่วิ่งพลาดไปหาอารมณ์อื่นเนี่ยเคล็ดลับของการฝึกนะยกระดับใจเราด้วยสมาธิในสิ่งที่จะช่วยให้จิตใจเราดีนัก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเรื่องศีลหลวงพ่อสอนแล้วนะว่าให้คอยรู้ทันกิเลสไว้ถ้าเรารู้ทันกิเลสนะศีลเราจะดีขึ้นเลยได้ นี้ทำไงจะมีสมาธิให้คอยรู้ทันความฟุ้งซ่านถ้าใจมันหนีไปใจมันหิวโหวยแล้วมันฟุ้งขึ้นมานะให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้ใจไม่ฟุ้งใจไม่ฟุ้งใจก็สงบวิธีฝึกให้ใจสงบเนี่ยไม่ยากเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเราต้องดูตัวเองอย่าไปเรียนแบบคนอื่นอย่างหลวงพ่อนะใช้ลมหายใจหลวงพ่อจะไม่ได้สอนลูกศิษย์ทุกคนว่าต้องหายใจแต่ละคนจริตนิสัยไม่เหมือนกัน นะบางคนไปพุโทโธพุโทโธบางคนไปสวดมนต์นะสบายใจบางคนไปซื้ออาหารเลี้ยงปลาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะปลูกต้นไมอไอนนะ้อะไรเงี้ยสบายใจอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขแต่ต้องไม่ยัว่วกิเลสนะไม่ใช่ไปทําชั่วด่าคนแล้วมีความสุขเงี้ยนะไม่มีสมาธิหรอกนะใจอย่าฟุงา้งซ่านงั้นเด็กถ้าเราพุโทโธพุโทโธมีความสุขแล้วพุโทโธของเราไปหรือกรรมฐานกลางกลกรรมฐานพื้นพื้นก็คือลมหายใจ หาใจออกมีความสุขใหายใจเข้ามีความสุขถ้าหาใจไปด้วยความสุขนีใจมีความสุขซะแล้ว ใ, ใจก็จะไม่หิวอารมณ์อื่น e ใจที่หิวอารมณ์นะเพราะมันเที่ยวหาความสุขนั่นแหละมันไม่ได้เต็มมันก็เที่ยวหาไปเรื่อยๆนี่พอเราหายใจออกเราก็มีความสุขใหายใจเข้าก็มีความสุขเนี่ใจก็ไม่ฟุ้งซ่านความสุขเลยเป็นเหตุ <c ười> ให้เกิดสมาธิบางคนฝึกสมาธิแทบตายไม่รู้ว่าทําไงสมาธิถึงจะเกิดง่ายนิดเดียว น้อจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวอย่างต่อเนื่องนะอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเป็นอารมณ์ที่ไม่ทําให้กิเลสรุนแรงขึ้นมาผิดศีลผิดธรรมอย่างรู้ลมหายใจเนี่ยไม่ผิดศีลผิดธรรมหายใจออกมีความสุขหายใจเข้ามีความสุขนะต้องบอกตัวเองด้วยนะว่าต้องหายใจแบบมีความสุขบางคนเนี่ยหายใจแบบเคร่งเครียดอย่างด น, นะครับไม่สงบหรอกนะนี่ต้องหายใจอย่างหลวงพ่อนี่ทันทีเลย ดูทันป่าวมูมากเลยนะมันอยู่ที่เคล็ดลับนะวันนี้สอนเคล็ดลับของสมาธิให้นะเคล็ดลับของสมาธิคือความสุขในอภิธรรมเลยสอนบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าจิตใจเรามีความสุขจิตใจมันก็มีความสงบจิตใจมีความสงบจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านไปทําชั่วเรื่องอื่นนี่ก็เป็นการรักษาใจของเราไว้ ศีลเนี่ยเป็นการรักษาใจอย่างหยาบไม่ให้กิเลส ท, ที่รุนแรงนะั้มาครอบงําำถ้กิเลสมันแรงมากนะเราก็ตั้งใจรักษาศีลไม่ยอมโกรธยังไงก็ไม่ว่าเขาไม่ตีเขาไม่ทําร้ายเขาตั้งใจไว้ก่อนนะเนั้นศีลนี่เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสหยาบหยาบสมาธิเป็นเครื่องมือสู้กิเลสระดับปานกลางคือความฟุง้งซ่านทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายเราะฉนั้นเราคอยใช้สตินี่แหละรู้ทันแล้วก็รู้ถ้าต้องการฝึก ในรูปแบบนะแล้วก็น้อมใจอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธไปหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจไปนะดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูไปเนือ mi นี้ยมีมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเขามีซอฟต์แวรนะ์วัดคลื่นสมองให้ฟังเสียงทะเลนะฟังแล้วมันสบายใจใช่ไหมสบายใจจริงก็สงบง่ายๆหลักเดียวกันเท่า น, นี้เองไม่ได้มีอะไรลึกลับอะไรหรอก งั้นถ้าเราไม่ต้องมีซอฟต์แวร์อะไรนะเราลมหายใจของเราเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรามาแต่แรกแล้วเราหายใจไปอย่างมีความสุขทําได้ไหมมีเคล็ดลับอีกนะมีโน้ตหาวเยอะนะเรียนกับหลวงพ่อวิธีหายใจให้มีความสุขเนี่ยต้องหายใจออกก่อนส่วนใหญ่เราจะเริ่มหายใจเข้าก่อนต้องหายใจออกก่อน้ใจมันจะผ่อนคลายเอาต่อไปนี้ทุกคนจะต้อง ทำสมาธิด้วยการหายใจออกก่อนลองหายใจออกก่อนสิหายใจออกก่อนแล้วก็คหาย ใ, ใจเข้าเอาละจําความรู้สึกตรงนี้ไว้อหยุดสายหน้าทีหนึ่ง เ, เพื่อลบภาพความรู้สึกเก่าๆออกต่อไปนี้ทํากรรมฐานใหม่หายใจเข้าก่อนจําได้ไหมอารมณ์มันต่างกับตะกี้นึกออกไหม หายใจออกก่อนเอาละพอละสายหน้าทีหนึง่งจาได้ยังตอนที่เราหายใจออกก่อนนะใจมันผ่อนคลายใช่ไหมแต่พอเราเริ่มต้นกรรมฐ า, านด้วยการหายใจเข้าเนี่ยใจมันเครียดนี่มีอยู่คนหนึ่งนะมาบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสอนอย่างนี้แปลกผมไม่แปลกหรอกไปดูพระไตรปิฎกสิท่านบอกว่าพิสูจทั้งหลายให้เธอคู่บัลังตั้งกายตรงดำลงสติเฉพาะหน้า หายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวนั้ิสูจทั้งหลายหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นพิสูจทั้งหลายลมหายใจระงับไม่หายใจแล้วนะลมระนีละเอียดก็รู้ไม่ขาดสติงั้นจริงๆแล้วก็มีในคำสอนอยู่แล้วนะแต่พวกเราชินที่หายใจเข้าก่อนหายใจเข้าก่อนมันดียังไงใช่มมันเอาไปเล่นไสยศาสตร์ดี มันต้องอัดจิตขึ้นมาไม่ให้เกิดพลังนะมีพลังแล้วก็เอาไปใช้แต่ถ้าเราจะมาฝึกจิตให้สบายให้มีความสุขให้หายใจออกก่อนก่อนนี่มีคนหนึ่งเข้ามาเล่าบอกว่าเขาฝึกหายใจเข้าพูดหายใจออกโรจะมาหายใจออกพุทหายใจเข้าโธเนี่ยทำไม่ได้เวียนหั ว, มวผมว่าผมว่าะว่าใช่ถ้าถือทำงั้นเวียนหัวตายเลยเขาบอกเขาก็ค้นพบทริคอันหนึ่งนะ เริ่มต้นเนี่ยหายใจออกทิ้งไปเปล่าๆนิดหน่อยก่อนแล้วค่อยหายใจเข้าพูดหายใจออกโตหายใจเหมือนเดิมแลแต่ว่าเริ่มสตาร์ทก็อย่างหายใจออกไปหน่อยหนึ่งก่อนถ้าเริ่มหายใจออกก่อนใจมันจะคลายหายใจมันผ่อนคลายใจมีความสุขนะหายใจไปหายใจออกมีความสุขหายใจเข้ามีความสุขหายใจทีสทีจิตก็สงบแล้วละแล้วจิตมีความสุขจิตก็สงบเองเป็นเรื่องง่ายๆนะไม่ยากอะไรหรอก ลองไปทําดูถ้าทําได้นะชีวิตจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยในท่ามกลางความเคร่งเครียดอยาเรานั่งรถไปรถติดๆเนะี่ยรถติดไฟแดงนะเครียดติดไฟแดงเครียดไหมสังเกตดูสิว่ารถติดไฟแดงก็เครียดถ้าติดคันที่1เนี่ยเครียดมากที่สุดนะเครียดมากที่สุดแล้วติดคันที่1ติดคันที่5คันที่10อะไรนี้ยังไม่เท่าไหร่ถ้าคันที่2เนี่ยต้องยังหงุดหงิดอยู่ว่าไอ้คนหน้าเราขับช้า ไม่ควรหยุดเลยควรจะแถมเราจะได้แถมตามแม้รถติดไฟแดงนะใจมีดีกรีของความหงุดหงิดไม่เท่ากันนะนีมันหงุดหงิดได้ตลอดอ่ะนี่แทนที่จะว่าพอรถติดไฟแดงแล้วหงุดหงิดเปล่าเปล่าหายใจสินี่แหละบุญแล้วเกินรถติดไฟแดง10นาทีนี้จะได้หายใจหายใจออกสบายๆหายใจเข้าสบายๆ แม่ได้ฝึกกรรมฐานกลับถึงบ้านหน้าไสาปิ้งเลยแค่ไม่ใช่โสมเหมือนนกปีกหักไปถึงบ้านทุกวันนี้แต่ละคนนะถึงบ้านแล้วโสมมากเลยเป็นไหมคนกรุงเทพมาเห็นแล้วนั่งสงสารมีชีวิตที่ลำเค็นมากนะตรากตราลําบากกลับบ้านนะั่งก็โสมเหมือนนกปีกหักบางทีหักจากที่ทํางานไม่พอยังเที่ยวต่อไปหักที่อื่นต่ออีกนะ <c oughs> กลับมาบ้านถูกภรรยาหักเข้าอีกนะกลับมาดึก งันอย่าไปทิ้งไปหลับเปล่าๆรถติด5นาทีหายใจออกรู้สึกตัวสบายๆหาย ใ, หใจเข้ารู้สึกตัวสบายๆไม่ทิ้งคําว่ารู้สึกตัวไม่ทิ้งคําว่าสบายจิตจะสงบนะได้พักผ่อนในตัวเองถ้าจิตสงบเนี่ยมันไม่ไปหาเรื่องคนอื่นแล้วมันอยู่ของมันสบายๆไม่ไปยุ่งกับใครไม่ไปทําร้ายใครนะเรเพลินอยู่ในความสุขความสงบของสมาธินี่ก็เป็นวิธีที่จะพัฒนาใจเรานะอยู่ในเมืองเนี่ย ทำได้จะดีที่สุดเลยให้ใจยังมีความสุขเนี่แล้วทำได้แล้วชีวิตจะปลอดโปร่งขึ้นหน้าตาสดใสแก่ช้ารับรองนะว่าแก่ช้าหน้าตาจะสดชื่นนะมีคนเขาให้สัมภาษณ์ลงงนังสือนะเขามีตัวอย่างผู้หญิง5้าคนสวยเขาถาม่าสัมภาษณ์ว่าทำไมสวยมีอยู่คนหนึ่งบอกว่าเพราะฟังซีดีหลวงพ่อประโมทนะอ่ะเาเาฟังซีดีแล้วก็ใจมันช่มชื่น ใจแช่มเชื่นเบิกบานใจมันไม่ไม่ไม่เศร้าหมองหน้าตามันก็ผ่องใสไปด้วยนี่ค่อยๆพัฒนานะนีต่อไปแล้ขั้นสุดท้ายเลยที่ต้องพัฒนาให้ได้คือพัฒนาปัญญาปัญญานี้เป็นเครื่องมือสู้กิเลส ช, ชั้นละเอียดกิเลสที่ชั้นละเอียดที่สุดคือความโง่ของเรานี่เองเพราะความไม่รู้เพราะความโง่นี่แหละเราถึงเบียนไหวใตเกิด ตายแล้วตายอีกนะจมอยู่ในความทุกข์ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ไม่เข็ดเพราะว่ามันขี้ลืมเวลาทุกข์มากๆนะบางคนอกหกักตั้งใจว่าจะไม่รักใครอีกแล้วแป๊บเดียวก็ไปหาแฟนใหม่อีกแล้วนะแล้วอกหักอีกเพราะทําบุญมาดีอธิษฐานมาขอเป็นโสทุกชาติจะได้ปฏิบัติชาตินี้อยามีแฟนขึ้นมาแล้วนะทไงก็หาไม่ได้นะเพราะบุญให้ผลมาต้องเป็นโสดภาวนาเนี่ยเราต้องมาฝึกใจของเรานะเพิ่มฉลาด ใจที่ฉลาดเนี่ยคือใจที่รู้ความจริงความจริงที่สําคัญที่สุดที่ต้องรู้นะคือความจริงของตัวเราเองคนทั่วๆไปนะมันชอบรู้ความจริงของคนอื่นชอบมีความรู้ในาศาสตร์สาขาต่างๆมากมายเลยไม่รู้กายรัวใจตัวเองบางทีทำสมาธินะใจมันก็ไม่มาอยู่ที่กายที่ใจใจหนีไปอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ได้กินหรอกไม่ได้พ้นทุกข์หรอกก็ได้สบายไปแค่ตอนทําสมาธิเท่านั้นแหละงั้นต่อไปนี้เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจ วิธีเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี้เรียกว่าวิปัสสนากรมารมฐานวิปัสสนากรมารมฐานนะเป็นความเรียนรู้ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์กนะารบังคับไม่ได้ของรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเราสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยมี2 ส, ส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เนี่ยรูปธรรมส่วนที่เป็นนมานมธรรมนามธรรมคือพวกวความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความรับรู้ทั้งหลายมี2 ส, ส่วน ถ้าเราสามารถเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมหรือนามธรรมได้ก็เรียกว่าทำวิปัสสนากรรมฐานหลวงพใช้คำว่าหรือนะรู้กายเห็นความจริงของร่างกายอยู่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่รู้จิตใจนะเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ก็เรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่วิปัสสนากรรมฐานนั้นเบื้องต้นจะรู้ดูกายก็ได้นะ จะดูใจก็ได้เพราะจริงๆเราไม่ได้ดูกายดูใจเราดูความเป็นไตรลักษณ์ดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจสารภาพตามตรงใครไม่รู้จักคําว่าไตรลักษ์หนูพ่อจะได้อธิบายช่วยยกมือสิมีไหมโอเคจะได้สอนถ้าทําเก่งนะแล้วก็ถ้ารู้แล้วทั้งๆ ท, ท, ที่หน้าตาไม่ให้กนะ็ไม่อยากสอนไม่อยากเรียนก็ไม่สอน คำว่าไตรลักษณ์เนี่ยคือลักษณะทั่วๆไปของสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายอะไรเนี่ยเป็นตรลักโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมอะไรเนี่ยนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นมาสร้างขึ้นมานะจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราจะเรียนมากๆเลยคือกายกับใจของเราเนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะว่าสามัญลักษณะสามัญสามัญคือลักษณะ ลักษณะสามัญลักษณะธรรมดาลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความปลุกแต่ให้เกิดขึ้นลักษณะทั่วไปก็มี3ประการนะอันหนึ่งคือมันไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงหมายถึงว่าสิ่งนี้มันเคยมีอยู่แล้ววันหนึ่งมันจะไม่มีอย่างร่างกายเราเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมวันหนึ่งมันจะไม่มนะีความรู้สึกของเราเนี่ยความสุขมันมีอยู่ใช่ความสุขมีอยู่ แต่ถึงจุดหนึ่งมันจะไม่มีอย่างนี้เรียกว่าไม่เที่ยงของที่เคยมีแล้วไม่มีเรียกว่ามันไม่เที่ยงของซึ่งกําลังมีอยู่นะถูกบีบคั้นเพื่อให้ไม่มีให้สลายตัวไปเรียกว่าเป็นทุกข์ความทุกข์ตัวนี้ไม่ใช่ทุกข์แบบกลุ่มอกลุ่มใจอะไรนะทุกข์ตัวนี้เป็นสัพท์เฉพาะเทคนิคเทอร์มทุกข์ตัวนี้เพราะว่าถูกบีบขันอย่างเก้าอี้ตัวนี้โต๊ะตัวนี้ก็ถูกบีบคันมีทุกข์อยู่นะทุกข์ก็คือมัน อยู่นานไปนะมันก็ผูกกร่อนไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันก็ทนอยู่เป็นโต๊ะอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะร่างกายเรานี้ก็เหมือนกันตอนนี้ยังทนอยู่ได้แต่กําลังถูกบีบคั้นเพื่อวันหนึ่งเนี่ยจะต้องแสดงอนิจจังไม่เที่ยงคือมีแล้วก็หายไปเลยอนิจจังเนี่ยของที่เคยมีอยู่นะจะต้องหายไปทุกขังก็คือของที่กําลังมีอยู่นะกำลังถูกบีบคันให้หายไปนะอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลาย จะมีอยู่จะจะจะเกิดขึ้นจะตั้งอยู่หรือจะหายไปเนี่ยเราสั่งไม่ได้มันเป็นไปนตามเหตุของมันนะเราสั่งไม่ได้อย่างร่างกายเราเนี่ยทำไมต้องแก่มันมีโปรแกรมในตัวเองนะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเรามียีนกำหนดมาเรียบร้อยแล้วว่าอายุขนาดนี้จะต้องอยู่ไม่ได้ละนะร่างกายจะต้องสุดสมอย่างนั้นอย่างนีนะ้มันบังคับไม่ได้มันสั่งไม่ได้จริง ร่างกายเราสั่งให้ไม่แก่ได้ไหมสั่งไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเรามีแฟนสักคนหนึ่งสั่งสิเธอจงสวยตลอดกาลเนเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นตรงที่เราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยเรียกว่าอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างใจเราเราสั่งให้มีความสุขได้ไหมทำได้ไหมจงมีแต่ความสุขห้ามมีความทุกข์ จงมีแต่ความดีห้ามโลภหลุดหลงหลวงพ่อจะพาดพิสูจน์อย่างหนึ่งนะว่าเราจะห้ามหลงได้จริงไหมหลวงพ่อจะหยุดดื่มน้ําสักหน่อยหนึ่งนะระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดอะระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดห้ามคิดนะเอาเริ่มตัวลงคิดไหมสังเกตไหมมันคิดได้เอง ตรงที่มันคิดได้เองเนี่ยเรียกอนัตตามันเป็นเองเรบบาบังคับมันไม่ได้หรอกถ้ามันเป็นอย่างนี้เพราะจิตมีธรรมชาติคิดเราไปห้ามมันไม่ได้ไฟมีธรรมชาติร้อนไปบอกให้มันเย็นมันไม่เย็นหรอกงั้นสิ่งทั้งหลายนะเราบังคับมันไม่ได้จริงร่าง ก, กายเนี่ยสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ตายก็ไม่ได้จิตใจนะสั่งให้มีความสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ห้ามมีความทุกข์ก็ไม่ได้ สั่งให้ดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ห้ามโกรธก็ไม่ได้ห้ามโลภ ก, ก็ไม่ได้บางคนตั้งใจนะถูกอกหักมาอ ก, กผู้ชายอกหักหัก อ, อกมาแล้วตั้งใจว่าจะไม่รักใครอีกละไอ้คนนี้โดยเฉพาะไอ้คนเดิมเนี่ยจ้างชาตินี้ไม่เอาอีแล้วโกรดน้ําเลยนะขอขาดต่อกันไม่มีความผูกพันเพราะมันกลับมาอ้อนนะแป๊บเดียวก็ตามมันไปอีกลนะเนี่ยเพราะอะไรใจเป็นของห้ามไม่ได้ ว่าจะไม่รักมันก็รักนะว่าจะไม่โกรธมันก็โกรธอย่างนี้เรียกว่าอนัตตาเนี่ยลักษณะทั่วๆั่วไปนะของร่างกายจิตใจของเรานะก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยคือลักษณะทั่วๆไปลักษณะสามัญลักษณะนี้อยู่ในคนทุกคนนะถึงเป็นสามัญไปไม่ใช่วิสามัญนะเป็นสามัญของทั่วๆไปของสาธารณะเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจนะ ให้เห็นว่าร่างกายเนี้ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อวันหนึ่งพอรู้ความจริงของร่างกายแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉั้นร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายนะเราจะไม่หวั่นไหวทุกวันนี้ที่เราหวั่นไหวเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเพราะเราคิดว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษของเรา แต่ถ้าเรามีสติปัญญารู้ความจริงแล้วร่างกายนี้เป็นแต่ตัวทุกข์ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยเม้่ตัวทุกข์จะแก่ก็สมน้ำหน้ามันตัวทุกข์จะเจ็บก็เรื่องธรรมดาตัวทุกข์จะตายตายซะได้ก็ดีไม่ไม่เดือดร้อนหรอกหรือจิตใจนะไม่เที่ยงสุขทุกข์ดีชั่วอยู่ชั่วคราวล้วก็หายไปมิตรของไม่เที่ยงทุกวันนี้เหน็ดเหนื่อยแทบเป็นแทบตายนัะดิ้นหาความสุขเห็นไหมดิ้นหนีความทุกข์ถ้าสติปัญญาเรามากพอเราเห็นนะสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์มันก็ชั่วคราว จะไปดิ้นหาความสุขอะไรนักหนายจะไปดิ้นหนีความทุกข์อะไรนักหนาทุกอย่างมันก็ของชั่วคราวความทุกขนะ์นั้นมันมาอยู่ชั่วคราวมันก็หายไปอย่างน้ําท่วมบ้านใช่ไหมจำได้ไหมปีห้าสี่ 4, น้ําท่วมใหญ่เลยแถวนี้ก็โดนหนักเลยน้ําท่วมถึงเวลาน้ํามันก็ไปเนี่นี่เราก็มาดูนะในความรู้สึกในใจของเราเนี่ยมันไหลมาไหลไปเหมือนน้าอ่ะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเหมือนเมฆลอยมาลอยไป เนความรู้สึกในใจเรานะั้นก็ผ่านมาผ่านไปแบบนี้แหละเนี่ยหัดดูไปที่เราไม่ดูเพราะเรามมดแต่ดูคนอื่นนะที่หลวงพ่อบอกอนะหมดแต่สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นต่อไปนี่สนใจร่างกายสนใจจิตใจของตัวเองบ้างสนใจร่างกายก็ไม่ใช่แค่มองว่าทําไงจะสวยนะทำไงจะดูสาวตลอดกาลตรงไหนหย่อนก็ดึงให้ตึงอะไรเนียตรงไหนตึงก็ทําให้หย่อนอย่างเงี้ยเวลาแก่นะสิ่งที่ควรหย่อนก็ตึงนะสิ่งที่ควรตึงก็หย่อนนะตอนแก่ขึ้นอนะ สิ่งที่ควรหย่อนก็ตึงเนี่ยหูตึงคือตึงแนละ้วหย่อนเนกล้ามเนื้อหย่อนไปหมดเลยควรจะตึงก็หย่อนไปหมดนี่เรามาดูความจริงนะในร่างกายในจิตใจถ้าเราจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ดูความจริงได้ถ้าจิตใจเราลืมเนื้อลืมตัวตลอดเวลาเราก็ไม่เห็นความจริงก็แค่นั้นเองงั้นก่อนที่เราจะมาเจริญปัญญาได้เนี่ยต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเสียก่อน สภาวะที um area, ่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี้แหละเรียกว่าสภาวะที่มีสมาธิที่ถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาสมาธิงนั้นสัมมาสมาธิไม่ใช่แค่สงบนะสัมมาสมาธิจริงๆเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพวกเราจิตใจลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันใจลอยทั้งวันใช่มันั้นต้องฝึกนะงนั้นต้องฝึกด้วยการฝึกสมาธิหายใจออกรู้สึกตัวสบายๆหายใจเข้ารู้สึกตัวสบายๆใจมันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว กจิตใจมาอยู่กันเนอก็ตัวแล้วเราก็จะเห็นความจริงในร่างกายได้ในบรรดาอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยสิ่งที่แสดงได้ชัดในร่างกายนะคือตัวทุกข์กับตัวอนัตตาอ น, นิจจังดูยากร่างกายเนี่ยเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันมีช่วงอายุของมันแต่ว่าความทุกข์เนี่ยดูง่ายแท้จริงแล้วความทุกข์บีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกคนลองหายใจเข้าดิหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยแล้วดูว่าทุกขหรือสุขลองดู ทุกไหมเราหายใจออกซิจะได้ไม่ทุกหายใจออกไปให้ยาวที่สุดซิทุกไหมเห็นไหมเราหายใจเข้านั้นแล้วเราก็ทุกเราก็ต้องหายใจออกแก้ทุกหายใจออกแล้วก็ทุกแล้วก็หายใจเข้าแก้ทุกรวมความแล้วมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกความทุกข์อย่างนี้มันเกิดอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วเราไม่เห็นหรือร่างกายเราเนี่ยมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บมันอยู่อะไรตลอดเวลานะ แต่ว่าเวลามันเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับใครยังไม่ขยับเลยมีไหมนี่หลวงพ่อเห็นนะขยับขยับมากไม่ได้ก็ขยับน้อยอเร้องอิเลีย บ, บทย่อยนะก็แกเมื่อยไปเลยนะหรือนั่งแล้วขันบ้างไหมถ้าอยู่ที่ตรงหลวงพ่อจะเห็นว่ามนุ่นเนี่ยสืบเชื้อสายจากลิงจริงๆเลยไม่อยู่นิ่งหรอก เ, นะเกานูน้นเก้านี้ไปเลยนะแต่ไม่รู้ตัวนะเวลาคันขึ้นมาก็เกาไม่รู้ตัว เวลาเมื่อยขึ้นมาก็ขยับไม่รู้ตัวว่าเมื่อยก็เลยไม่เห็นสักทีว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์แล้วต่อไปนี้นะั่คอยรู้สึกในร่างกายได้เลยมันคันขึ้นมารู้ว่าคันก่อนแล้วค่อยเกาอนะเวลามันเมื่อยรู้ว่าเมื่อยซะก่อนแล้วค่อยขยับถ้าทําได้อย่างเนี้ไม่นานหรอกไม่เ็ียงๆร่างกายนี้มีแต่ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนทุกข์ไม่นอนนอนก็ทุกขนะ์ น, นั่งคืน1คืนหนึ่งเนี่ยพลิกตั้งสามสิครั้งนะ พลิกไปพลิกมากระดุกกระดิกะกระดุกกระดิกเนี่ยเพราะว่ามันทุกข์นะบางคนว่านอนเป็นสุขถ้านนอนเป็นสุขนะคนเป็นอมภะนะนอน <c oughs> ไม่มีความสุขหรอกเป็นแปลกดทับซะ อ, อีกเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายอย่าใจลอยเท่านั้นแหละถ้าไม่ใจลอยนะคอยรู้สึกไปให้ใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไม่นานไม่นจะเห็นอนะไม่แต่ความทุกข์เท่งนั้นเลย อย่างนี้พอเห็นอย่างนี้นะใจมันจะคลายความยึดถือลงไปเรนะื่อยๆพอมันไม่ยึดถือกายนะต่อไปร่างกายเจ็บใจไม่ยึดถือใจไม่ทุกข์ร่างกายแก่ใจมันไม่ยึดถือใจมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายจะตายจิตใจไม่ยึดถือจิตใจก็ไม่ทุกข์เนี่ยเราค่อยๆฝึกนะเราจะไม่มีความทุกข์แล้วก็หัดมาดูความรู้สึกในใจเราเราจะเห็นเลยความรู้สึกทุกอย่างอยู่ชั่วคราวเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจเรานั้นที่ดูง่ายนะคือตัวอนิจจังอนิจออนจังกับอนัตตาดูง่าย ร่างกายเนี่ยที่ดูง่ายคือตัวทุกข์ขังมันมีความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่าบีบคั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถนะอิริยาบถทีก็ เ, เหมือนเกิดใหม่ทีเดี๋ยวก็ทุกตาให ม, ม่าอีกละเนีมันมีความบีบคั้นอยู่แล้วก็สิ่งที่ดูง่ายในร่างกายอย่างหนึ่งคือมันเป็นอนัตตามันเป็นวัต ถ, ถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรา น, ะ น, ะนี่ยร่างกายจะดูทุกขขังอนัตตาง่ายส่วนจิตใจเนี่ยดูอนิจจังอนัตตาง่าย อันนี้จางก็คือมันมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายงั้นเวลาทํากรรมฐานนะบางคนไปทาจิตให้นิ่งจิตว่างสบายเนี่ยทำได้นึกจะทาอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนก็ได้ทําให้ลืมโยมไปเลยนะสบายอยู่ของเราอย่างเงี้ยก็ไปคิดว่ากรรมฐานคือการทาจิตให้สบายนะมันก็ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยง แวเาใช้จิตใจธรรมดานี่แหละเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นความจริงว่าสุขมันก็สั้นๆนะทุกข์มันก็ชั่วคราวทุกอย่างมันก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวรลภโรวหลงก็ชั่วคราวดูลงไปอย่างนี้ดูได้เห็นเลยทุกอย่างมันชั่วคราวที่เห็นมันชั่วคราวนี้เรียกว่าเห็นอนิจจ์มันเคยมีแล้วมันก็ไม่มีเห็นอนิจจ์แล้วก็เห็นว่าเราบังคับไม่ได้ สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชัวก็ไม่ได้เนเวลาดูอนัตตาของกายนะเราจะเห็นในมุมที่ว่ามันไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุเรายืมวัตถุในโลกมาใช้เวลาดูอนัตตาของจิตนเราจะดูในมุมของการบังคับไม่ได้นะนั้นร่างกายเนี่ยเวลาเราเดินปัญญาเราจะเห็นทุกข์ได้ชัดนะทุกขขังอนัตตาเป็นวัตถุส่วนจิตใจจะเห็นอนิจจังอนัตตา อันนี้จังคือเปลี่ย น, ปยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลาแล้วก็บังคับมันไม่ได้ถ้าเห็นมากๆนะเราจะใจมันจะหมดการดินรนนะทุกวันนี้ที่ดิ้นรนนะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ถ้าใจมันฉลาดมันรู้ว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวใจมันจะไม่ดิน้นไม่ใจไม่ดิน้น ใ, ใจไม่หิวนะใจจะไม่มีความทุกข์ใจที่มีความทุกข์เพราะมันมีตัณหามีความหิวเกิดขึ้นตลอดเวลามันมีความหิวเพราะมันไม่รู้ความจริง ความจริงก็คือเรื่องของไตรลักษณ์ในกายในใจนี่เองเพั้นเราพยายามมาเจริญปัญญาให้ได้ถ้าเราเก้าวมาถึงตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเรายังเป็นชาวพุทธที่ดีไม่ได้เรายังได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เต็มทีลําพังแก้ทําสมาธิไม่มีพระพุทธเจ้าหรือสีชีพาก็ทําสมาธิได้สิ่งที่ทําให้ศาสนาพุทธต่างกับคนอื่นนะก็คือการเจริญปัญญานี่แหละ จะเจริญปัญญาดได้ด้วยมีจิตใจที่อยู่กับเนืกับตัวนี่คือสมาธิแบบของชาวพุทธแท้ๆเลยเพราะว่าที่ไม่หลงลืมตัวแล้วก็ดูไกายเขาทำงานดูใจเขาทางานพยายามนะพยายามฝึกเข้าไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่การฝึกฟังหลวงพ่อครั้งเดียวนะยังเข้าใจยากเอาซีดีไปฟังซีดีไม่มีก็ไปดาวน์โหลดเอานะเวลาหลวงพ่อไปเทศที่ไหนจะมีอาสาสมัคร เขาจะไปถ่ายวิดีโอบ้างอะไรบ้างเอาไปลงอยู่ทง youtube อะไรหลงพ่อไม่เป็นหรอกคนอื่นทำทั้งนั้นเลยนะไปลองไปดูไปฟังบ่อยๆจากที่ภาวนาไม่เป็นจะเป็นขึ้นมานะจะเป็นขึ้นมาแล้วเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระอริยะสงฆ์มีจริงๆรู้ได้ด้วยตัวของตัวเอง ว, ว่าใจของเราเนี้ยจะทุกข์น้อยลงน้อยลงเราจะอยู่กับโลกแบบเข้มแข็งอยู่กับโลกแบบ เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงบางคนเป็นผู้ใหญ่แต่ตัวนะใจยังเด็กใจไร้เดียงสาเช่นอยากไม่แก่เงี้ยไร้เดียงสานะีอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเนี่ยเรื่องไร้เดียงสายัางเด็กอยู่ถ้าพัฒนาใจเต็มที่มันจะเห็นว่ามันธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดารักพลาดจากสิ่งที่รักก็ธรรมดาประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็ธรรมดาสมหวังผิดหวังก็เรื่องธรรมดา เนี่ยพระใจเข้าถึงความเป็นธรรมดาใจเขาไม่ดิน้นรนใจไม่ดิน้นรนใจก็มีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวของตัวเองเป็นความสุขความสงบที่ไม่เอาเงินซื้อเพราะเงินก็ซื้อไม่ได้นะเพะนั้นไม่ใช่ว่าทําบุญมากเราจะได้ดีดเสมอไปนะนะไม่จําเป็นมาฝึกจิตฝึกใจเนี่ยได้บุญมากกว่าทําบุญด้วยเอาสตังจ่ายซะอีกนะแต่ว่าต้องลงทุนลงแรงต้องฝึกทุกวันทุกวัน ตั้งใจฝึกเข้านะชีวิตนี้เป็นของหายากหมดลงไปทุกวันแต่และ ว, วันที่หมดไปแล้วซื้อคืนไม่ได้อย่างบางคนหมดไปตั้งสามสิบปีแล้วแต่หน้าตาในที่นี้ก็ดูจะหมดหลายสิบปีนะส่วนใหญ่บางคนถึงสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบนปะีหมดแล้วเอาคืนไม่ได้มีเงินแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้งันเวลาเนี่ยเราซื้อเวลาด้วยชีวิตของเราเองเอาชีวิตของเราแลกนะ เวลาหนึ่งวันที่เราได้มาเนี่ยเราก็เอาชีวิตหนึ่งวันไปแลกมางั้นมีเวลาจำกัดรีบภาวนาเขารีบยกระดับใจขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำไดนะ้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะล่มสลายไปทุกอย่างร่างกายจิตใจเนแตกสลายเราเวียนว่ายแตยเกิดมาเกิดใหม่ไม่มีใครเทศให้ฟังแล้วคราวนี้ศาสนาพุทธอาจจะสูญไปละคราวนี้ทาไงก็อยู่แบบ มืดๆบอดๆไปเหมือนชาตินี้รีบภาวนาเข้าเขาแนะนําให้ไปฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆนะฟังถ้าฟังแล้วจะภาวนาเป็นภาวนาเป็นแล้วจะพ้นทุก็รู้ด้วยตัวเองเลยทุกมากขึ้นน้อยลงมันรู้ได้นะกิเลส ก, ก็ครอบงําใจได้น้อยลงน้อยลงวันหนึ่งเป็นอิสระขึ้นมานะไม่มีอะไรเสมอเหมือนเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนนะ ควสุขจากอิสระภาพตัวเนี้แล้วพอสมควรแก่เวลาเกือบชั่วโมงนะวันนี้ต้องเทศยาวหน่อยเพราะว่ามีคนจำนวนมากไม่เคยฟังเลยเริ่มห่มลงนานเบสิกเยอะหน่อยถ้าอยากเป็นเทศสาราดงฉีนเทศที่วัดนีก็เทศสั้นกว่านี้ได้หายใจออก รู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกไปายสบายเห็นเหมือนคนอื่นหายใจหายใจไปเห็นเหมือนคนอื่นหายใจฝึกให้เป็นนะไม่งั้นได้แต่สมาธิชนิดที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิสงบอยู่ข้างนอกใครจะส่งันบ้านมานารักการค่ะพระอาจารย์ค่ะครั้งที่แล้วประมาณ ปีกว่าแล้วค่ะเคยส่งกันบ้านพระจาจาร์ไปแล้วค่ะพระจานทร์บอกว่าให้อดทนมากๆค่ะก็หนูไปฝึกมาปับก็พยายามที่จะดูกายดูใจเพราะว่ากายมันมันมีความทุกข์มากค่ะอตอนนั้นก็ได้เห็นสภาวะที่เห็นเวทนาค่ะ ม, มันขาดเป็นสายๆค่ะ แล้วก็เกิด ด, ดับช้าๆให้ดูค่ะก็รู้สึกว่าพอมันเกิดแล้วมันดับมันก็ไม่มีมันว่างไปหมดทุกอย่างเลยค่ะค่ะถูกแล้วลวะทีนี้นะตอนนี้ก็ยังเห็นคือก่อนหน้านี้จะเห็นใจอะค่ะมันมันมีอะไรทิมขึ้นมาแบบคือรู้สึกว่าเป็นกิเลสแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ทิมขึ้นมาเป็นแหลมๆส่วนช่วงนี้จะเห็นเป็น คันคนยุกยิกยุกยิกทรมานทรมานนะมันเกิดเหลือแตย้ยิบยิบแมีแต่ทุกข์นะต่อไปก็เห็นแต่ทุกข์ห้ามมันไม่ได้หรอกใจมันไหวอย่างนั้นเป็นปกติถ้าเห็นเนี่ยนั้นก็ดีแล้วไปดูดต่อไปอถ้าใจนี้ก็เหลือตัวเดียวเรื่องความเป็นกลางนะสภาวะต่างๆเกิดขึ้นจิตเราเป็นกลางไหมถ้าเป็นกลางก็ใช้ได้แล้ว ถ้ามันไม่เป็นกลางทนไม่ไหวก็ทําความสงบเข้ามาทำสมนตะบ้างนะอยพ่พุโทโธพุทโธไปก็ได้หายใจไปอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้นั่นแหละดีไปทําต่อไปใช้ได้แล้วขอบคุ ณ, คณมากค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้จิตไม่เข้าบ้านนะ <c oughs> ดูออกเป่าตอนเมื่อกี้ใช่ไหยคะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ดูไม่ออกลองหายใจเอาความรู้สึกตัวจับไปที่ลมหายใจแล้วหายใจกลับเข้ามา รู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันแต่ตรงนี้ท่านดึงแรงนะ้ํำจะแน่นอ๋อตอนนี้โล่งแล้วค่ะเออนมื่อกี้แน่นออตรงนี้ก็ไปฝึกไปอแต่ไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ตัวนี้ตลอดนะค่ะแค่ว่าหลุดออกไปอยู่ข้างนอกโล่งว่างอยู่ข้างนอกให้รู้ทันนักภาวนานไปติดโลง่งติดว่างอยู่ข้างนอกเนะี่ยไปไหนไม่รอดหรอกหลวงปู่มั่นสอนนะบระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยเฉยนี่แหละว่า ง, างออ <laughs> โอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์กลับหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งกันบ้านในรอบปีอะค่ะเออเขาที่แล้วที่ส่งกันบ้านเนี่ยหลวงพ่อบอกว่ามันมีปัญญาขึ้นมาเห็นว่าผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะ mm hmm. เจ้าค่ะ mm hmm. ก็นึกได้ว่ามันเป็นมันเป็นแค่ขันหนึ่งที mm hmm. นี้หลวงพ่อก็ให้กันบ้านบอกว่าอย่าไปรักษาจิตหนูก็ก็ไปดูต่อเจ้าค่ะแล้วก็เห็นว่า เออจิตมันก็เป็นเครื่องเหมือนเครื่องปรุงทุกข์ขึ้นมาตลอดเวลาเจ้าค่ะแล้วก็แต่ตัวมันเองมันก็เป็นตัวทุกข์ด้วยก็ดูไปเรื่อยๆเจ้าค่ะนี้ก็มันมีความรู้สึกว่าก็เห็นมันเสียดแทงอยู่ตลอดมีความรู้สึกว่ามันอาการนี้เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆที่เห็นว่าอันนี้มันมันมันเสียดแทงแล้วก็มีคําถามตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะจบเจ้าค่ะก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆจน เนีเจ้าค่ะทั้งปีได้เท่าีไงค่ะใจฟุ้งซ่านดูออกไหมฟุ้งมากเจ้าค่านะฟุ้งซ่านให้รู้ถ้าใจฟู้งซ่านก็ทําความสงบเข้ามาเจ้าค่ะเรสมาธิเนี่ยสาคัญเอาไว้ปักพ่อนเะจ้าค่ะหายใจรู้สึกตัวใจออกรู้สึกตัวสบายๆ ใ, ใจเข้ารู้สึกอย่าไปน้อมใจอย่างนั้นน้อมใจงั้นเดี๋ยวเคลิมแต่มันเยิ้มๆไปเจ้าค่ะหายใจไปด้วยความรู้สึกมีสติ เค่ะ ไ, ไปทำต่อนามาส ก, การเจา้าค่ะการาา น, น, นมาสพานนมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเ อ, อเคยมาส่งกันบ้านคุณพ่ อ, อ, อหลวงพ่อที่นี่เมื่อสามสาม ป, ามปีก่อนนะคะหลวงพ่อบอกว่าเป็นคนช่างคิดแล้วก็แนะนําให้ไปเคลื่อนไหวอทีนี้เวลาปฏิบัตินี่สังเกตว่าถ้าภ า, า, าวนาพุโทโธเราจะพบสวัสดิสภาวะธรรมมากกว่าเคลื่อนไหวอเข้าใจว่าติดเพ่งมาจากเคลื่อนไหวก่อนนะคะ ทีนี้ก็ระหว่างปฏิบัตินี่ก็ล้มลุกคู่ขานมาตลอดอืมเพราะว่าซึมบ้างแล้วก็ขี้ลืมบ้างเดี๋ยวนี้นะนะต้องเอาร่างกายมาช่วยไงที่หลวงพ่อบอกให้พยายามเคลื่อนไหวอนะ่ะโดยธรรมชาติเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนี่ย น, นั่งเฉยๆจะซึมง่ายงั้นเราก็ใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายนะไม่เคลื่อนอะไรมากขยับนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะไม่จะกระตุ้นให้ความรู้สึกตัวของเราชัด ถ้าไมงความรู้สึกตัวมันจะเคลิม้มจะหลับง่ายก็แต่แต่ก็เพราะว่าเวลาเจอทุกข์ใหญ่ๆมันไม่ค่อยทุกข์เลค่ะมันอะไรนะเวลาเจอความทุกข์ที่เป็นมากที่น่าจะเป็นมากๆก็ไม่ค่อยทุกข์หรไม่ทุกข์เราไม่ไปทุกข์ทำไมไมันทุกข์สำหรับคนไร้เดียงสาเราพานามาถึงขนาดนี้ก็ดีตั้งเยอะแล้วละรู้สึกไหมว่ากายกับใจคนละอันกันดูออกไหม คิดว่าดูออกค่ ะ, ะก็สงสัยอยู่ค่ะสุขทุกกรดีชั่วก็คนละอันกับใจใดูออกไหมคิดว่าดูออกค่ะดูออกแล้วล่ะนะขันมันแยกได้แล้วละแล้วขันมันแยกได้แล้วแต่เป็นี้ดูมันทํางานนะแต่ว่าอาศัยการรู้สึกในร่างกายมาช่วยกระตุ้นความรู้สึกตัวไว้ถ้าทิ้งกายไปดูจิตอย่างเดียวนะั้นเดี๋ยวจะลับไปมันจะหลับง่าย นูักการหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งการบ้านครั้งแรกเจ้าค่ะ mm hmm. ฟังซีดีหลวงพ่อมาเจ็ดเดือนกว่าเจ้าค่ะ mm hmm. ก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนทําในรูปแบบแล้วก็ตามรู้กายใจเจ้าค่ะ mm hmm. เคยมีสภาวะที่ตามตามรู้สึกมือแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามือหลังจากปฏิบัติสักพากนนะเจ้าค่ะรู้สึกว่ามือนี้ไม่ใช่เรา mm hmm. แล้วก็เหมือนตัวไม่ใช่เรา mm hmm. เรามองคนอื่นอยู่ในกระจกอะไรคะแต่ไม่ทราบว่าจริงๆหรือคิดไปเองเจ้าค่ะจริงสิ มันไม่ยากนะในการที่จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยคุณพระเจ้าท่านยังเคยบอกเลยบอกว่าว่สูทธ์เท่าไหร่อุทุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนนอกศาสนาพุทธนะเขาก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรางั้นเบื้องต้นที่เราพอนานแล้วเราเห็นกายไม่ใช่เรานี่ยดีแล้วล่ะนะมันเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นต่อไปเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกเท่างหรยก็เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราอีก มาแล้วก็ไปมาเองไปเองเห็นไหมความรู้สึกมาเองไปเองเจ้าค่ะนั่นแหละดีเจ้าค่ะเนี่ยต่อไปนี้เราก็เห็นนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเจ้าค่ะเคยมีสภาวะหนึ่งอยากจะเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะคือเคยตกใจ มากแล้วก็ร้องออกมาเมื่อว้ายตายแล้วแต่พอร้องเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเลยค่ะรู้สึกโดยอัตโนมัติไม่ได้บังคับไม่ได้ตั้งใจใดๆมันรู้สึกตัวแล้วก็หากตกใจค่ะไม่มหลังจากปฏิบัติมา<อ>สักพักเนี้ยค่ะถูกแล้วละ่ะว่าเวลาตกใจเนี้ยสติมันระลึกได้ความตกใจล้วขาดสะบั้นไป นี่คือความรู้สึกตัวที่เราควรจะมีใช่ไหมเจ้าค่ะที่ตรงนี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่แต่มีหรือไม่มีอย่าไปบังคับมันนะเจ้าค่ะมันมีเองแล้วตรงเนี้ยมันจะข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยอย่างชาติต่อไปอะตอนเราเด็กๆเกนะยเวลากระทบอะไรที่ตกใจนะจิตจะดีดพังออกมาเป็นคนดูน ะ, ค, ะคำตกใจมันดับไปเองเลยจะเป็นเองนะค่หลวงพ่อเคยเห็นตั้งหลายคนนะเป็นตั้งแต่เด็กเลยพวกนี้เคยภาวนาแต่ชาติก่อนกอนเจ้าค่ะ แล้วที่หนูปฏิบัตินี้เป็นยังไงถูกแล้วละ่ะใช้ได้แล้วใช้ได้นะออไปดูนะขี้โมโหไหมมีบ้างเจาา้าค่ะแต่คิดว่าตั้งแต่ปฏิบัติมาแล้วดีขึ้นเยอะเลยจเจ้าค่ะอย่าไปบังคับจิตไว้นะถ้ากระทบอารมณ์แล้วไม่พอใจให้มาก็รู้อะไรก็รู้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่ต้องดีตลอดเวลานะ <c oughs> ถ้าดีตลอดเวลาจะเครียดไปเพาดีหรือไม่ดีเนี่ยล้วนแต่เกิดเราดับทางสิ้นเท่าๆกัน แต่ว่าไม่ให้ผิดศีลเท่านั้นแหละเจ้าค่ะพยายามมากไปไหมเจ้าค้าเพราะรู้สึกมากไปหน่อย <laughs> มันจะตึงไปเจ้าค่ะเพราะว่า<อ>รู้สึกกลัวมากกับความการเกิดนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะให้พ้นไปเลยเจ้าค่ ะ, ะนะรีบเร็วยิ่งช้า <laughs> ดูไปสบายๆนะเจ้าค่ะที่หลวงพ่อบอกว่ามันจะเป็นเจือโตษ า, าไปเจ้าค่ะโทษาอะไรอะโทษากลัวเกิดกลัวเกิดก็โตษานะความกลัวเป็นโตษา เนี้ยเราดูไปภานาไปสบายๆไม่รีบร้อนนะมันจะได้เร็วเจ้าค่ะยิ่งกลัวยิ่งช้าอืราะยิ่งกลัวมันจะไปเค้นตัวเองบังคับตัวเองเจ้าค่ะต่อไปขอบพระคุณเจ้าค่ะการนมัสการค่ะหลวงพ่อปฏิบัติมาครบหนึ่งปีแล้วตอนนี้เห็นกิเลสตัวีความอยากอะค่ะอืมแล้วก็เห็นไหวๆังมีไหวมากไหว น, อนอ้อยเอยดีห้ามไม่ได้หรอไหวอะค่ะ ก็ทําตามที่หลวงพ่อบอกในซีดีอะค่ะเหนื่อยก็ทําสมถะอย่างเงี้ยถูกค่ะ <c oughs> ขณะนี้จิตเป็นไงตอนนี้ตื่นเต้น <c oughs> นะจิตไม่เป็นธรรมชาติรู้อย่างนี้ถูกนะ่ะ <c oughs> จิตไม่ถึงฐานดูออกไหม <c oughs> ออใช้ได้ <c oughs> ก, าากาบนมัสการเจ้าคะ่ะหนูเพิ่งได้มีโอกาสฟังซีดีกับ แต่ YouTube ของหลวงพ่อเมื่อต้นปีนี้เองเจ้าค่ะต้นปีนะ<า>ไม่กี่เดือนเลยจิตจาามาใไปกันนี้ก็เก่งแล้วละแต่ว่าพอฟังของหลวงพ่อแล้วเนี่ยทำให้หนูเข้าใจแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยดีขึ้นมาก ม, มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไม่นานมานี้นะเจ้าค่ะหลวงพ่อพอเราดูตัวเราเองว่าอารมณ์หรือว่าสภาวะจิตของเราตอนนี้เป็นยังไงอย่างเช่นนะเจ้าค่ะสมมติว่า หนูโกรธพอมองพอมองโกรธปับ๊บพอมีสติปับ๊บจะรู้เลยว่าเพราะว่าเราเนี่ยไปมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเรื่องนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้พอมันรู้ปับ๊บมันปล่อยมันก็เย็นเลยเจ้าคะ่ะใช่ใชค่ะทีนี้มันจะมีคือว่ามีบางช่วงที่แม้ปัจจุบันนะเจ้าคะ่ะพอเราเนื่องจากหนูโชคดีที่หนูเป็นภูมิแพ้คัดจมูกบ่อยอะคะ่ะหายใจไม่ค่อยออกมันก็เลยเห็นสภาวะว่าร่างกายไม่มีเที่ยงเลยพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ย พอพิจารณาไปปั๊บหนึ่งมันกลายเป็นไม่มีร่างกายเป็นโ บ, โบโบไปเลยค่ะมันว่างเปล่าแต่พอเป็นสภาวะนี้นานๆมันทําให้ใจของหนูเนี่ยหนูชอบมากมันเหมือนเป็นอิสระมันปโปร่งเบาอะเจ้าค่ะอย่าไปติดมันนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะเจ้าค่ะที่มันจะมีแวบๆเข้ามาหนูไม่ทราบไปเลยมันเหมือนเป็นพลังงานนะเจ้าค่ะหลวงพ่อที่ว่าตัวหนูก็ บุญบาปมันก็เป็นพลังงานแบบหนึ่งเวลาหนูมีมีความรู้สึกมีกิเลสหรือมีความโกรธมันก็เป็นพลังงานอีกแบบหนึ่งที่มันหนักๆร้อนๆยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะแวบไปถึงครูบาอาจารย์นะเจ้าค่ะพลังงานของท่านจะเย็นเวลาหนูบางทีหนูสู้ไม่ไหวหนูก็อาราทธนาขอบาลมีครัวจะความเย็นก็เข้ามาเจ้าฉลาดรู้จักเล่นทางรัด เอว่าหนูสงสัยะค่ะหลวงพ่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดในตัวเราในร่างกายในทั้งหมดนะคะอืมันเป็นเหมือนพลังงานหรือเปล่าเจคะมันแยกออกไปนั้นเป็นพลังเป็นคลื่นไปหมดเลยนของของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมเจ้าคะพราะมันเบาแบบนุ่มนวลมากเลยเจ้าค ะ, ะพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งสมาธิอยู่เป็นองค์องค์อย่างที่เขาว่าหรอกนะนีะ่นั้นปลอมค่ะ หนูอย่าไปหลงพวกนั้นนะคอย่าไปสนใจของข้างนอกนักเจ้าค่ะะให้ดูลู่ทันกายราูรย่ทันใจรู่ทันกิเลสของเรานี้ดีกว่านะเจ้าค่ะอย่าไปดูพลังพระพุทธเจ้าอะไรเนงะี้เจ้าค่ะมีไหมมีมออแต่ว่าสู้กิเลสเราพลังพระพุทธเจ้าจะมาล้างกิเลสเราเนี่ยล้างไม่ได้เจ้าค่ะเราต้องล้างของเราเองเจ้าค่ะแล้วหนูทําอย่างนี้ถูกทางไหมเจ้าค่ะถูกนะแต่ว่าอย่าให้มันหมกมุ่นนะ เราใช้ชีวิตอยู่กับโลกให้ไดออ้อยู่ธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็รู้ไปเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปรู้ไปสบายสบายอย่าไปหลงอยู่ในโลกของความว่างๆเจ้าค่ะนะถ้าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวช้าเสียเวลาเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอภาวนานได้สนุกดี ก, การธรรมศาสการหลวงพ่อค่ะคือสงสัยอะค่ะเวลาตอนที่เราปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะช่วงแรกๆที่เรานั่งเนี้ค่ะมันจะรู้สึกอึดอัดแน่นที่หน้าอกมากๆอย่างนี้เป็นเพราะว่าเราเพ่งเกินไปหรือเปล่าค่ะเราชงใจแต่ว่าตัวนี้เป็นศิลปะนะมันเป็นทักษะของเราด้วยว่าแค่ไหนพอดีเบื้องต้นถ้าไม่ไม่ชนานาญนมันก็ต้องเพง่งมาก่อนดีกว่าฟุ้งซ่านไป แต่พอเพ่งแล้วเราก็รู้ทันว่าเพ่งมากไปก็ค่อยๆ ค, ค, คลายออกนะเพราะว่าพอนั่งไปสักพักมันก็จะเริ่มคลายออกใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเราชนานาญแล้วก็พอดีเลยพอดอีแล้วอย่างนี้อยากทราบว่าติดเราถึงฐานหรื อ, อยังอะคะถึงเห็นแม่กายกับใจเป็นคนละอันดูออกไ ห, หรือว่าร่างกายเนี่ยความสุขความทุกข์ใจก็คนละอันกันเคยเห็นไหมว่มามันแยกกันได้ เห็นไหมตัวอะไรสายหน้าอยู่ตัวเราค่ะเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นไรตัวเราก็ได้จะเรียกตัวอะไรก็ได้เนี่ยคอยรู้สึกไปอย่างเนี้ยนะเนี่ยตัวเนี้ยหัวเราะให็นไหยตัวเนี้ยยกมือตัวนี้พยักหน้านรู้สึกอย่างเนี้ยนะจะเหมือนบางทีเรารู้สึกว่าสติเราจังตามไม่ทันเนี่ยปกติโดยเฉพาะกิเลสนะกิเลสต้องเกิดก่อนสติเกิดทีหลังถูกต้องแล้วอย่างนี้คือถูกต้องแล้วถูกสิมีสติด้วยมีกิเลสด้วยเป็นไปไม่ได้ ต้อโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธอย่างนี้ถึงจะใช้ได้โกรธไปรู้ไปเป็นไปนไม่ได้ขอบคุณค่ะกลาวน้ำพส ก, การหลวงพ่อจ้ะค่ะอือปกติหนูจะดูส่วนใหญ่จะดูเผลออะคะ่ะแล้วก็ในรูปแบบก็ส่วนใหญ่จะดูะร่างกายเคลื่อนไหวอะคะออ่ะ<ช>แต่ว่าแต่ว่ามันจะมีปัญหาเวลา เวลาพอเวลาหนูป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วอารมณ์มันจะขึ้นลงเร็วมากเลยค่ะแล้วสติมันตามไม่ทันมันก็บางทีไปแสดงออกอะไรไม่ดีซึ่งกับคนในครอบครัวอะไรอย่างี้หนูก็กลัวบาปแต่มันก็ตามไม่ทันดูจิตใจไม่ทันดู ก, กายเนี่ยกายฉันอาปากด่าแล้วนู้นแล้ทันนี้นะเออดูจิตไม่ได้ดูกาย หนูภาวนาได้ดีนะูรู้สึกไห้ใจมันเปลี่ยนไปใจมีความสุขนะโล่งโปร่งเบาดูไปทำได้ดีอยู่หลวงพ่อคะแล้วแล้วบางทีมันเวลาเห็นอะไรที่เรารู้สึกพึงพอใจแล้วมันจะวูบๆูบขึ้นเอก็แค่วูบูไปก็แค่รู้ไปแค่รู้มันใช่หมันวูบเองก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสุขทุกข์ดีชั่วก็อย่างนั้นและเกิดเราดับไปหมด ไอ้บูบ๊บบเกิดแล้วก็ดับแล้วมีสิ่งไหนที่หนูต้องแบบแบบว่าพัฒนาที่ที่ต้องแก้ไขมากมากไหมคำว่าแก้เนี่ยไม่มีในขั้นการวิปัสสนานะมีแต่รู้อย่างที่กําลังเปิดรู้ว่ากําลังโกรธเนี่ยใช้ได้ไม่มีคําว่าแก้ทํำไงไม่ต้องโกรธนะไม่ต้องทํารู้อย่างที่มันเป็นแก้ไปแก้ ม, มันเรื่องของสมถะมีปัสนานนะรู้อย่างที่มันเป็นนะ การพระพะกุนค่ะแล้วมาสการค่ะหลวงพ่อเพิ่งฟัง YouTube ฟังซีดีท่านได้หนึ่งเดือนค่ะเดือนหนึ่งทำได้อย่างนี้เฉยเหรอขอระคค่ะรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนมากเลยค่ะนั่นแหละเห็นไม่บอกแล้วว่าซีดีหลวงพ่อ YouTube หลวงพ่อไม่ธรรมดานะเป็นประโยชน์ ม, มากจริงๆเช้าคะ่ะ <laughs> อยากจะพูดอย่างนี้เด้อว่ะเปลี่ยนสิ่งที่เลวร้ยรายนะให้พลิกเลยนะ ชีวิตเราจะเปลี่ยนแบบ<ๆ>นั่งเนิ่งไม่ถึงนะเพราะว่าธรรมะของพระเทเจ้านะสามารถเปลี่ยนแปลงเดจิตใจเราเนี่ยได้ใ น, ในเวลาอันสั้นนะธรรมะของพระเทเจ้าเนี้ลักษณะสําคัญเลยอไม่เนิ่นช้าะเปลี่ยนอย่างเร็วเลย <c oughs> ถึงขนาดพวกเนลถีาศาสนาอื่นนะใครจะมาคุยกับพระเทธเจ้านะพักพวกจะเตือนอย่าไปคุยกับพระสมณะโกดมนะ ภาษสมมาสัาโคดมมีมนเปลี่ยนใจเห็นไหมเดือนเดียวใจเราเปลี่ยนแล้วจริงเจ้าค่ะเออจริงสิไม่หลอกเด็กหรอกอถ้าทำหลายปีแล้วไม่เปลี่ยนแสนดงว่าทำผิดตัวใหญ่ไปทำสมถะโดยส่วนตัวก็พยายามรู้เท่าทานันกิเลสของตัวเองให้ได้บ้างที่สุดเจ้าค่ะก็โกรธขึ้นมาก็รู้ค่ะ ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยมีคำถามอะไรเท่าไหร่ตอนนี้มีคำถามที่ฝากมาถามจากคุณสามีนะคะถามว่าพระรู้เจ้ามีตัวตนจริงหรือไม่แล้วก็คุณสามีจะบอกว่าผู้ถามเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของเป็นมาจากคนแล้วคนที่มีภูมิวุฒิปัญญาจึงเชื่อว่าพระรู้เจ้าเป็นคนมีตัวตนจริงและเป็นผู้เสียสละอย่างสูงเพื่อสัตว์โลกให้พ้นวัฏสงสารอพอละนะบอกว่าอย่าคิดเดยอะ ให้รู้ทันปัจจุบันไปนะะดูกายดูใจของตัวเองไปมีอยู่ข้อหนึ่งที่ยิ่งรู้สึกแบบเออพราะไม่เขาไม่เชื่อว่าภพชาติมีจริงเจ้าค่ะนั่นแหละบอกว่าใหญ่คิดเยอะให้ดูกายดูใจของตัวเองไปให้ดูกิเลสไปภพชาติเนี่ยมีภพใหญ่ภพย่อยนะภพใหญ่เนี่ยดูยากไม่มียานทัศนะไม่เห็นบอกให้เข้าไปดูภพย่อยๆสิดูในใจเขา เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนั่นแหละพบแล้ค่ะและ้ว<อ>การการเกิดแก่เจ็บตายก็มีจริงๆแต่ว่ามอีอีกอันนึงคือเขาเชื่อว่าจิตวิ ญ, ญญาณไม่สามารถจะเกิดใหม่ได้ไม่สามารถที่จะถูกวิ ญ, ญญาณตัวเดิมไม่ได้ไปเกิดใหม่ค่ะนั่นเปนเกิดวิ ญ, ญญาณตัวใหม่ในพบใหม่ค่ะนะคือที่เขาพูดมาเนี่ยนะเป็นการคิดเอาค่ะเป็นเรื่องความคิดการคาดคะเน ศาสนาพุทธไม่ได้เน้นที่ตรงนี้เลยเน้นให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจหลงปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นปัญหากี่ข้อกี่ข้อที่ยกมาเนี่ยเป็นเรื่องของการคิดเอาเป็นเป็นเครื่อปรัชญาอ๋อเจ้าค่ะมันไม่ใช่าศาสตร์เจ้าค่ะน่คิดเอาแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้หรอกอก็จะเกิดข้อสงสัย <c oughs> ไม่หยุดหย่อนถูกไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นแทนที่จะไปสงสัยไปเรื่อยๆจะเสียเวลา ให้คอรู้ทานกิเลสไปเรื่อยๆบอกอย่างนี้นะเจ้าค่ะแล้วเขาจะรู้หรอว่าพระท่านเจ้ามีไหมตายแล้วเกิดไหมเจ้าค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณเจ้าเมื่เกิดอยู่ทุกขณะอยู่แล้วเจ <c oughs> ้าค่ะกลับในมาตรการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อเขาฟังซีดีของหลวงพ่อมาหลายปีแล้วแต่แล้วก็ฝึกปฏิบัติมาหลายปีแต่ไม่เคยส่งกันบ้านแต่ว่าไม่ทราบว่าที่ตัวเองทําน่ะถูกหรือเปล่าค่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นกิเลสบ่อยไหม เห็นหลงบ่อยๆอะค่ะโอ้ใช่ได้หลงเนี่เห็นยากนะถ้าเห็นได้ก็เก่งเลยมันต้องหลบหลงก่อนนะถึงจะโกรธต้องหลงไปก่อนถึงจะโลภได้ถ้าใจหลงแล้วเ ร, เรารู้นะโลภกับโกรธไม่มีช่องจะเกิดเลยรู้อย่างนั้นได้ก็เก่งแล้วดีส่วนใหญ่จะเป็นหลงคิดนะคะหลวงพ่อนั่นแหละตัวร้ายหลงคิดนะ่ใจแล้วก็ตกเป็นทาสของมารมารตัวนี้ชื่ออาพี่สังคารมาน ใจมันหลงไปอยู่ในความคิดไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติรู้ทันใจก็หลุดออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ไปอยู่ในโลกของการหลงคิดนะพอมาตื่นขึ้นมาก็เห็นกายเห็นใจทํางานอย่างนี้ถึงใช้ได้นะค่ะหลวงพ่อคะแต่ว่าวิวหารธรรมในชีวิตประจําวันทําไม่ค่อยได้อ่ะคะ่ะเราทํำยังไงตอนเนี้ก็บางครั้งก็อิทธิปิโสบ้างบา ง, บางครั้งก็เมตตาคู่นางแต่ก็ ไม่ค่อยบ่อยอะค่ะเอาบ่อยๆสิไม่มีใครเก็บเงินเราหรอก <c oughs> สวดไปเรื่อยๆสวดบ่อยๆสวดแล้วรู้ทันใจสวดไปแล้วใจมีความสุขก็รู้สวดแล้วใจเป็นทุกข์ก็รู้สวดแล้วใจสงบก็รู้สวดแล้วใจฟุ้งซ่านก็รู้ะสวดแล้วรู้ทันใจไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้แหละทาในรูแปแบบค่ะแล้วที่ทําอยู่นี่ตื่นหรื อ, อยังคะหลวงพ่อคะรู้ตัวเองไหมรู้ตัวน่อจะต้องมาถามทําไม เดี๋วคนมันว่าหลวงพ่ออวดอุตริโลได้ด้วยตัวเองกลับนวมักการค่ะกลับนวมักการ์นะเจ้าค่ะออพอดีที่ภาวนาอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะมันจะนิ่งๆแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเงินก็ดูร่างกายถ้าดูใจนะใจนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูนั้นดูร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจ เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนะดู ก, กายไปเรื่อยๆที่ภาวนาที่ถูกหรือยังเราถูกแล้วล่ ะ, แ, ลละแต่ใจมันติดนิ่งไปมันจะไม่เดินปัญญาดังนั้นให้มาพิจารณากายบ่อยๆว่ากายไม่ใช่ตัวเรานะขอถามอีกนิด น, นึงค่ะตอนที่นั่งสมาธิค่ะคือนั่งเสร็จแล้วมันจะไปอยู่ที่ความรู้สึกเย็นเบาอืมนั่นแหละมันเป็นสมาธิ แล้วหนูไม่แน่ใจว่าสมาธิที่หนูนั่งนี่ถูกหรือเปล่าคะถูกแต่พอหนูออกจากสมาธิให้ดูไ ก, ก่นะคะดูไ ก, ก่แต่ละส่วนเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงในร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวดูอย่างเนี้ยซ้ําไปซ้ํามานะถึงจะไปได้จิตหนูมันมันทรงสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะไม่เดินปัญญาการวิธีที่จะกระตุ้นให้มันเดินปัญญานะพามันคิดพิจารณาร่างกายนะแล้วเดี๋ยวมันจะเดินปัญญาจริงๆ คือมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราตรงที่มันเห็นเนี่ยมันเกิดปัญญาละค่ะ น, น, นานๆหนูจะเห็นตัวหมุดหงิดขึ้นมาแต่ก็จะไม่ค่อยเห็นมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเออไม่ค่อยมีเพราะว่าใจมันไปติดนิ่งติดว่างค่ะงั้นคนที่ติดสมาธินะด้านหนึ่งก็คือมีความสุขอีกด้านหนึ่งคือขัดทุนไม่ได้ทํำพิปัสนาหรอกค่ะขอบคุณนะจะค่ะอย่างสมาธิเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะ พระพุทธเจ้าคนพบมาก่อนเราทำสมาธิสงบอยู่เฉยๆก็แค่มีความสุขอยู่ช่วขณะนั้นออกจากสมาธิมาก็เหมือนเดิมหรือไม่ก็แย่กว่าเดิมเซลล์จัดนะนั่งสมาธิบาทีทเซลล์จัดก็มีแล้วก็ถ้าเราเคยฝึกกรรมฐานอะไรมาเน่เราอย่ายุดติดถ้าเราเห็นช่องทางที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่การเดินปัญญาได้ก็ให้ทำอย่าไปเสียดาย เคยฝึกทําจิตว่างๆทาจิตสงบนึกจะเอาแต่ตรงนี้คล้ายๆได้ความดีแค่นี้ก็พอใจแล้วนะสิ่งที่ดียิ่งกว่านี้มีอยู่โอกาสที่เราจะหาได้ก็ยังมีอยู่งั้นต้องไปให้เต็มที่ก่อนอย่าไปเสียดายบางคนนะทาแต่สมาธิสงบสบายไม่มีอะไรหรอกหลวงพ่อทําสมาธิตั้งแต่เจ็ดขวบนะทํา22ปีแล้วสมาธิจะทําได้คล่องแคล่ว ไม่ใช่เรื่องยากแต่ไม่ได้พ้นทุกอเลยดีไม่ดีเห็นโน่นเห็นนี่เสียอีกถามว่าเห็นจริงๆริงไหมเห็นจริงๆนะแต่สิ่งที่เราไปเห็นนั้นจริงหรือเปล่าเราไม่รู้เนะชื่อถืออะไรไม่ได้หรอกอั้เห็นกิเลสในใจเราไม่ได้อันนี้ของจริงแหลนะเอาละพอสมควรนะจบละอนุโมทนานะกับท่านผู้จัด ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ฟังธรรมะในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี้ยโอกาสที่จะฟังธรรมะจริงๆมีไม่มากนักหรอกนี่เราได้รับโอกาสนะเจ้าของสถานที่เขาให้ให้ฟรีนะพวกเราเรียนก็เรียนฟรีนะหลวงพ่อเห็นข้างหน้านมีของให้กินด้วยหลวงพ่อยังไม่ได้กินเลยพวกเราได้กินเขาให้เราทุกอย่างไปภาวนาใช้นี่เขานะ ภาวนาแล้วคิดถึงเจ้าของสถานที่นี้นะขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญของพวกเราด้วยเรียกว่าเราใช้หนี้เขาเอาละหลวงพ่อไปแล้วละ